จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุธที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช5 5งเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพราะวันเป็นวันพระวันธรรมสวรนระ วันฝังธรรมวันสร้างทางคือวันเจริญมากที่จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงกำหนดวันพระนี้เพื่อให้ญาติโยมได้เจริญมากกันได้สร้างทางเดินกัน ก็ถ้าไม่มีทางเดินเราก็จะไม่สามารถเดินไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทางเดินนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างไว้แล้วสําหรับพระองค์เองและทรงได้เดินทางไปถึงการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายแล้วแล้วจึงได้นําเอาวิธี สร้างทางนี้มาสอนแก่สามโลกต่อไปแต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถสร้างและเดินทางให้แก่สามโลกได้สามโลกแต่ละคนแต่ละตัวต้องเป็นผู้สร้างทางและเดินทางกันเองถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องพยายาม ภาคเปลี่ยนสร้างทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งการแห่งความทุกข์ทั้งหลายทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ ทรงเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่ไม่ได้ดับทุกข์ด้วยการหาความสุขหรือทางที่ดับทุกข์ด้วยการทรมานตนโดยปราประโยะชน์เช่นไม่อาบน้ำไม่โกดไม่ไม่ไม่ตัดผมไม่ใส่เสื้อผ้านั่งอยู่บนที่นั่ง ที่มีหนามมีตะปูเพื่อสร้างความทุกข์ให้แก่กายซึ่งไม่ใช่เป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจหรือดับทุกข์ด้วยการหาความสุขต่างๆมากลบเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราก็ออกไปเที่ยวข้างนอกไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุข จากสิ่งต่างๆไปหาความสุขจากการซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกขนะ์เพราะหลังจากที่ได้ออกไปเที่ยวได้ไปดื่มได้ไปรับประทานพอกลับมาบ้านความทุกข์ที่มีอยู่ก็จะกลับขึ้นกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ศึกษาและปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้พบทางสายกลางทางที่ไม่ใช่ทางสุดต่งทั้งสองคือดับทุกข์ด้วยการหาความสุขหรือดับทุกข์ด้วยการทรมารร่างกายของตนด้วยวิธีการต่างๆ แต่ดับทุกข์ด้วยการเจริญมัตที่มีองค์แคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกรประความคิดชอบสัมมากรรมโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิโวมีสัมมาอาชีพอาชีพที่ ที่ชอบสัมมาวายาโมความภาคเปลี่ยนที่ชอบสัมมาสติการระลึกรู้ที่ชอบและสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตใจที่ชอบที่ถูกต้องนี่เป็นมัชที่มีองค์แปดบางครั้งพระองค์ก็ทรงย่อลงมารวมกันเป็นสาม คือศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือการกระทาชอบวาจาชอบอาชีพชอบสัมมาอาชีพส่วนสมาธิก็คือความภาคเพียนชอบความระลึกรู้คือสติความมีสติที่ถูกต้องสัมมาสติและการตั้งมั่นของจิตใจ เรียกว่าสัมมาสมาธินี่คือส ม, มาธิส่วนปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและสัมมาสังกัปโปะความคิดที่ถูกต้องเป็นองค์ประกอบของปัญญานี่คือศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นมั้งเป็นทางเดินของนักบวช ผู้ที่บวชแล้วจะต้องเจริญศีลสมาธิและปัญญาถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ส่วนผู้ที่ยังไม่บวชคือคารวะญาติโยมมรรคของคารวะญาติโยมก็คือทานศีลภาวนาทานก็คือการให้ข้าวของต่างๆแก่ผู้อื่นเช่นญาติโยมวันนี้นำข้าวของเงินทอง มาถวายพระเรียกว่าทานคือการให้แล้วเมื่อกี้นี้ก็ได้สมาทานศีลห้ากันนี่ก็เรียกว่าศีลคือตั้งใจจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวเวงีพูดโกมดเทศ์เสพสุรายามังนี่ก็เป็นศีลของคาลวะญาติอยู่ ภาวนาก็คือการบำเพ็ญจิตใจให้สงบให้ฉลาดที่มีแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันคือขั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการทําจิตใจให้สงบนิ่งพอจิตใจมีความสงบนิ่งไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆก็จะสามารถเจริญวิปัสสนา คือพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆที่จิตใจไปยึดไปติดไปทุกข์ด้วยถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความยึดติดเกิดจากความอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เวลาไม่ได้ดังใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะรู้ว่าถ้าต้องการจะดับทุกข์ก็ต้องตัดความอยากตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆในบุคคลต่างๆเช่นตัดความยึดติดในลาบยศสารเสริญในสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขให้ยินดีตามมีตามเกิด มีก็ใช้ได้ไม่มีก็ใช้ได้จิตไม่เดือดร้อนพอไม่เดือดร้อนแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์กับราภยศสารเสริญสุขนี่คือทางของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตหรือครหัสคือนั่บวชหรือผู้ครองเรือนคารวสญาิโยม ก็ต้องเจริญมรรคเหมือนกันมรรคนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะพาให้จิตใจนั้นไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นเหมือนกับยารักษาโรคใจถ้าใจมียารับประทานอยู่เรื่อยๆเจริญมรรคอยู่เรื่อยๆความทุกข์ใจต่างๆก็จะหมดไปเหมือนกับ โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายถ้ารักษาด้วยการรับประทานยาอยู่ตามที่หมอสั่งไม่นานโรค ก, ก็จะหายไปเพราะยาจะเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานั่นเองความทุกข์ใจของเราก็เป็นโรคภัยทางจิตใจและเชื้อโรคของ ของใจที่สร้างความทุกข์ใจนี้ก็คือตัณหาความอยากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่สามประการด้วยกันคือมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามาตัณหาอยากมีอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ อยากมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากไปเที่ยวตามโรงภาพยนตร์ตามบาร์ตามผับตามสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นกา ม, มาตัญหาความอยากในกลางคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสเวลาเกิดความอยากแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่บ้านไม่ได้อยู่ไม่ติดบ้านอยู่แล้ว ง, งดเกตตำคาญใจ ว, ว้าวเศร้าซ้อยหมอยเหงาต้องออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าไม่มีปัญญาที่จะออกไปได้ก็จะต้องทุกทรมานใจในทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีความอยากที่อยากที่อยากจะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็จะอยู่บ้านได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์ใจนี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตันหาความอยากอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นภาวะตันหาคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะเป็น สามีอยากจะเป็นภรรยาอยากจะเป็นใหญ่อยากจะเป็นโตอยากจะเป็นสอสอเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีความอยากเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเวลาที่ไม่ได้ตามความอยากเวลาอยากเป็นสอสอแล้วไม่ได้เป็นก็เสียใจขณะที่ หาเสียงก็ต้องทุกวุ่นวายกับการหาเสียงต้องไปกราบคนนั้นไปไหว้คนนี้ต้องเสียเงินเสียทองกับค่าใช้จ่ายต่างๆทำให้เกิดความทุกข์ใจถ้าไม่มีเงินทองพอก็จะต้องทุกใจที่ไม่มีเงินพอที่จะมาใช้ใจ่ายกับการหาเสียงซื้อเสียงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าไม่อยากเป็นสสไม่อยากเป็นรัฐมนตรอไม่อยากจะเป็นอะไรก็อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขดังนั้นอยากไปอยากมีอยากเป็นอยาไปอยากมีนั่นมีนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทัาทีความอยากชนิดที่สาม ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความอยากอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาคิดถึงความแก่แล้วรู้สึกไม่สบายใจ นั่นก็แสดงว่ายังไม่อยากแก่ถ้าเวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเกิดความทุ้มใจก็แสดงว่ายังไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคิดถึงความตายแล้วก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็แสดงว่ายังไม่อยากตายถ้ายังมีความไม่อยากเหล่านี้อยู่ก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ต่อไป ทั้งๆ ท, ที่ความแก่ความเจ็บความตายก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตามคนที่จะลาดแล้วตัดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ได้จเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาจนเห็นเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่เองเกิดจากความอยากมีอยากเป็นเกิดจากการอยากเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผูฏฐะชนิดต่างๆท่านจึงบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบ พอจิตใจสงบแล้วความอยากต่างๆก็หายไปก็เลยรู้ว่าการจะทำความชุกให้หายไปก็ต้องมีการเจริญสมาธินี้เป็นเบื้อมตน้นพอจิตมีความสงบแล้วความอยากก็หยุดทำงานเพียงแต่ว่าสมาธินี้ไม่สามารถหยุดความอยากได้ไปตลอดเวลา พสมาธินี้จะสงบได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิออกมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความอยากก็จะตามมาถ้าอยากจะตัดความอยากในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาพิจณานให้เห็นว่าสิ่งที่ความอยากอยากได้นั้นสิ่งที่ตัณหาอยากมีอยากเป็น อยากได้นั้นมันไม่สามารถทำให้มีความสุขอย่างถาวรได้เพราะสิ่งที่อยากได้มานี้มันไม่ถาวรนั่นเองเช่นอยากเป็นสอส อ, อยากเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกพอได้เป็นแล้วมันก็เป็นได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้อง พนวาระไปหมดวาระไปเวลาหมดวาระก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้พยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นมันมีวันสิ้นสุดของมันมันมีวันหมดอายุพอมันถึงวาันนั้นแล้วใจของเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่ไปอยากได้อะไรทั้งหลายเพราะไม่มีอะไรที่เราได้มาแล้วจะเป็นไปจะอยู่กับเราไปอย่างถาวอรอยู่ไปตลอดแม้แต่ร่างกายของเรามันก็มีวันสิ้นสุดอายุของมันถึงแม้จะได้เงินทองมาใช้ไม่หมดใช้ชาตินี้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด แต่ร่างกายนี้มันก็มีวันเวลาที่จะหมดได้พอหมดแล้วก็จะเกิดความเสียดายเกิดความเสียเสียใจที่จะต้องพัดพลาจากกองเงินกองทองไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องพยายามเจริญอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆสลับกับการทําจิตใจให้สงบ เพราะการเจริญปัญญาไปโดยไม่มีการพักก็เป็นเหมือนกับการทํางานที่ไม่มีวันหยุดนะถ้าทํางานไปทุกวันไม่มีวันหยุดร่างกายก็จะเมื่อยลา้าจะไม่มีกำลังที่จะไปทํางานได้จึงต้องมีวันหยุดกันมีวันเสาร์มีวันอาทิตย์เพื่อพักผ่อนเพื่อหาความสุขจาก สงต่างๆมาผ่อนคลายความทุกข์ความเครียดที่เกิดจากการทำงานชันใดการเจริญปัญญาก็เป็นอย่างนั้นจะต้องมีการพักสลับกันเจริญปัญญาไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าพิจารณาแล้วไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแจ้งก็ให้หยุดพิจารณา แล้วก็ให้มาทำสมาธิทำใจให้สงบพักใจเสียก่อนเป็นการเติมน้ำมันเติมอาหารให้กับใจพอใจได้พักอิ่มแล้วใจก็จะถอนออกจากความสงบพอถอนออกมาแล้วก็จะมีกำลังมีความกระปี้กระเปาพร้อมที่จะไปพิจารณาไปเจริญปัญญาต่อไป ไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆไปพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดตามมาเวลาที่สิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนไปหรือหมดไป mm hmm. พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในวันนี้สักวันหนึ่งเราก็จะต้องคืนคืนเขาไปหมด เราจะไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆที่เรามีหรืออยากจะมีเวลาตายไปนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยร่างกายก็เอาไปไม่ได้บุตริดาก็เอาไปไม่ได้สามีภรรยาก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เอาไปไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆก็เอาไปไม่ได้ นี่คือการเจริญปัญญาต้องเจริญอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่เจริญแล้วจะลืมทันทีจะถูกความหลงมาหลอกให้อยากได้อยากมีอยากเป็นทันทีแต่ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยแล้วความหลงก็จะไม่สามารถมาหลอกให้ไปอยากได้สิ่ง น, นั้นอยากมีสิ่ง น, นี้อยากไปเที่ยวที่นั่นอยากไปเที่ยวที่นี่ ก็ไม่มีอะไรดีกว่าความสงบสู้นั่งสมาธิดีกว่าเวลานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วจะพบกับความสุขที่มหัศจรริ์เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกอย่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านาถิสันติบารังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากทาง สมบของใจนี้ไม่มีมีความสุขที่สงบของใจนี้และที่เหนือความสุขทั้งหลายที่ทำให้ผู้ที่มีความสุขชนิดอื่นๆสามารถละได้เป็นมหาเศรษฐีก็ละออกบวชได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ละออกบวชได้ถ้าได้พบกับความสุข ที่เกิดจากความสงบภายในใจนี้พระพุทธเจ้าก็เคยทรงพบความสุขที่เกิดจากความสงบในขณะที่ยังเป็นพระราชกูมาอยู่จึงทำให้พระองค์มีสิ่งที่เปรียบเทียบคือทรงเห็นความสุขทั้งสองรูปแบบความสุขที่เกิดจากความสงบของใจและความสุขที่เกิดจากการได้ไปเที่ยวได้ไปเสด็จความ รูปเสียงกลิ่นลมได้ไปเป็นใหญ่เป็นโตทรงเห็นว่ามันสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจไม่ได้จึงได้ตัดสินพระไทยเสด็จออกทรงตโนดในขณะที่มีพระชนมายุ 29,000 ษาและทรงมุ่งปฏิบัติทำจิตใจให้สงบกำจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ได้จนหมดสิ้นไปจึงได้ตัดสัรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัรู้หรือทำที่ทรงตัดสรูน้นี้เรียกว่าพระอริยาศาศาสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมักทรงเห็นว่าทุกนี้เกิดจากสมุทยัยสมุทัยนี้คือเหตุ ที่ทำให้เกิดทุกข์และเหตุดีก็คือความอยากทั้งสามชนิดคือการมตัณหาความอยากในการภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและทรงเห็นว่าการจะที่จะทำให้ทุกนี้ดับไปต้องเกิดจากการ จะลินมากมากที่มีองค์แปดนี้เองก็คือศีลสมาธิปัญญาสำหรับนับบวชและทานศีลภาวนาสำหรับผู้ครองเรือนคือคาลวสยากโยนจึงได้ทรงนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดสรูวนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกจึงปรากฏเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมา แล้วเมื่อมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็ปรากฏเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาพระพุทธศาสนาจึงมีหลักอยู่สามประการด้วยกันคือพระพะุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทาง ให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเริ่มต้นต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุพระอริยสัจสี่ก่อนเมื่อตัดสรุแล้วก็มาประกาศสอนเป็นพระธรรมคำสอนขึ้นมาเมื่อมีผู้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุจงมีดวงตาเห็นพระอริยสัจสี ก็จะเป็นพระ อ, อาริยสงสาวกขึ้นมาก็จะเป็นองค์ครบทั้งสารองค์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือที่ยึดเดี่ยวของจิตใจของพุทธศาสนกชนของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องยึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง ต้องเชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเชื่อในคําสอนคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าและเชื่อในการบรรลุธรรมของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเชื่อว่าท่านทั้งสามนี้จะเป็นผู้ที่สามารถนำพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ในปัจจุบันเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรายังมีพระธรรมคําสอนเรายังมีพระอริยสงสาวุปพระธรรมคําสอนนี้ก็เป็นเหมือนองค์แทนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยคือคําสอนของตถาคตนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตต่อไป จะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายพวกเธอถ้ามีพระธรรมคำสอนก็จะไม่อยู่ปราศจากศาสดาจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราอยากจะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเราเราก็ต้องน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างที่พวกเรากำลังทำกันในวันนี้เรามาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรม เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องเจริญมักคือทานศีลภาวนาเราก็มาเจริญกันมาทำบุญให้ทานถวายข้าวของเงินทองมาสมาทานรักษาศีลแล้วก็มาเจริญภาวนาสมถะภาวนาก็คือทำจิตใจให้สงบ ด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็จเจริญวิปัสสนาภาวนาด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าพิจารณาจนเห็นชัดเจงแล้วก็จะละความอยากต่างๆได้เพราะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปอยากนั้น เป็นความทุกข์ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อยากมีอะไรก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือหน้าที่ของเรางานของเราและผลที่เราจะได้รับจากการทำงานของเราคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงขอให้พวกเราจงพยายา ตะเกียกตะกายประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามกำลังของสติปรรัญญาศรัท ธ, ธาและความเพียรแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศ ร, รีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปด้วยกันทุกคนโดยทั่วหน้ากันเธอ